นี่ก็เป็นเช้าแรกนะของการเข้าพรรษาปีสองพันห้ารอยหกสิบห้าการเข้าพรรษานีนะ้มันก็หมายถึงการที่เราเริ่มต้นนะที่จะทำการศึกษาและปฏิบัติเป็นการเริ่มต้นของการทำความเพียรนนะเพื่อฝึกฝนตนนะ ร่างกายและใจให้ดีงามและการฝึฝนตนนี้ก็มีความต่อเนื่องนะยาวนานนะก็ไม่ถึงกับ น, นานมากนะแต่ว่ามันก็เป็นช่วงสำคัญนะตลอดสามเดือนนี้ช่วงข้าบัรษานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่นะมีความสำคัญมากนะ ในทางวัฒนธรรมประเพณนะีของชาวพุทธไทยโดยเออพพาะสำหรับผู้บวชนะการบวชเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะบวชในเดือนไหนช่วงเวลาใดของปีเนี่ยนะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการบวชเพื่อเอาภรรษาเอาภรรษาก็หมายว่าจะบวชแล้วก็เข้าพรรษาด้วย ไม่ว่าจะบวชวันไหนเดือนใดก็ต้องให้ได้พรรษาเหมือนกับว่าถ้าบวชแล้วไม่ได้พรรษาหรือว่าไม่เอาพรรษานี้ก็นั่นถือว่าเป็นการบวชที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะว่าในช่วงคำพรรษาเนี่ยแหละนะที่มันเป็นช่วงที่การบวชนะจะ เป็นไปอย่างเข้มข้นมีทั้งการศึกษาทางปริยัตและปริยัตเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความรู้ในทางพุทธศาสนาแต่รวมไปถึงเรื่องอื่นด้วยรวมทั้งนะเรียนรู้เรื่องทางโลกนะสมัยก่อนนี่หลายคนจะอ่านออกเขียนได้นี่ก็ช่วง ข้าพันศาเนี่ยแหละรวมทั้งมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิชาทั้งโลกนะวิชาช่างนะไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ช่างอิดนะหรือว่าวาดภาพนี่ก็สมัยก่อนก็มาเรียนกันในช่วงค้าพรนศาเพราะการบวชสมัยก่อนเนี่ยเป็นการบวชเพื่อเรียนด้วยนะ เรียนเอาวิชาความรู้แม้กระทั่งในทางโลกนะจึงเรียกว่าบวชเรียนแต่นอกจากเรื่องของวิชาความรู้ทั้งทางธรรมทางโลกแล้วเนี่ยนะก็มีการปฏิบัติด้วยปฏิบัติในที่นี้ก็หมายถึงการฝึกหัดการเกล้าไม่เป็นแม้กระทั่งเรื่องกิริยามารยาทรวมทั้งการขัดตาอุปนิสัย ให้เป็นคนที่อารีอารอบใส่ใจส่วนรวมแล้วก็อยู่ง่ายมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเรียกว่าคุณธรรมต่างๆนะที่จำเป็นของการดำเนินชีวิตนี่ก็มามาเรียนเอานะในช่วงที่บวชโดยเพพาะในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ีิขาดไม่ได้คือการนะภาวนา ทำกรรมาฐานจเจริญสติสมัยก่อนนี้ก็เลยไปถึงการเรียนวิชาอาคมด้วยนะภาวนาเพื่อวิชาอาคมนะเพราะสมัยก่อนนี่มันก็เป็นวิชาที่จําเป็นต่อความอยู่รอดเป็นวิชาที่จะช่วยปกปักรักษาตนให้ปลอดภัยเพราะมีความเชื่อว่าเนี่ยภัยอันตรายมางทีกมันก็มาในรูปของ นะสิ่งที่มองไม่เห็นยังก็ต้องมีวิชาอาคมไว้ป้องกันตัวบ้างหรือ่ป้องกันญาตพี่น้องหรือใช้ในการรักษาผู้คนเวลาโดนของอะไรํานองนี้นั่เป็นเรื่องของอดีตนะแต่ว่าสิ่งที่ยังเป็นแก่นสารอยู่นะของการเข้ารรษาคือการฝึกฝนตนทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็ใจ ดเดยพะสำหรับพระที่บวชใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ระยะหลังนี้ก็มาบวชเอาตอนใกล้จะเข้าภรรษาเพระนกการเข้าภรรษาเนี่ยจึงเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญมากที่จริงก็ไม่ใช่เฉพาะกับพระหรือว่านักบวชเช่นแม่ชีอย่างเดียวนะ ผู้ครองเ ร, องรือหรือเครืหรัสเนี่ยที่อยู่บ้านช่วงคำวารสารนี่ก็เป็นช่วงเวลาของการฝึกฝนเหมือนกันโนดยเฉพาะในเรื่องของทานและศีลให้เรื่องทานนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ทำกันเป็นนิสัยอยู่แล้วนะเพราะคนไทยเราก็นิยมการให้ทานโดยเ่าการถวายทานกับพระแต่เรื่องการรักษาศีลเนี่ย ก็ต้องเข้มงวดกันในช่วงข้าบรรศาอย่างในนัก็ศิลป์5โดยเพพาะสียง้อที่5ซึ่งมักจ ะ, ะมักจะย่อหย่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายในวัฒนธรรมไทยะสียงข้าอื่นอาจจะทำได้ยากหน่อยหรือว่า จะทำก็ต้องปกปิดนะแต่ไม่เหมือนสี่ข้อที่ห้านี่มันเดีย๋ยวนี้ก็ทำกันอย่างเปิดเผยแต่ว่าถ้ามีการควบคุมตนเองนะดูดยใช้โดยอาศัยเทศกาลมันก็ช่วยทำให้การควบคุมตนเองให้อยู่ในศีลเนี่ยมันเป็นได้เป็นไปได้ดีมากขึ้น แต่ในส่วนของนักบวชเนี่ยนะช่วงคบราษาเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็หมายถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่ที่จะครองตนให้ราบรื่นท่ามกลางผู้คนที่แวดลอ้อมซึ่งอยู่ร่วมกันเป็นสังฆะนะสังฆะนี่ก็หรือทรงนี่ก็แปลว่าหมู่คณะช่วงคบภรษานี่ก็เป็นช่วงที่ใครๆก็าพากันมา นะที่จะอยู่ร่วมกันนะเพื่อที่จะปฏิบัติตนแต่การที่จะอยู่ร่วมกันมนะากๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและยิงต้องมาฝึกฝนพัฒ น, ฒนาตนนะฝึกหัดขัดเกลานิสัยบางอย่างรวมทั้งเรียนรู้ที่จะลดละนะความอยาก ในหลายเรื่องเนี่ยมันก็คือการทวนกระแสกิเลสนั่นเองนะไอ้การทวนกระแสกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งต้องทำต่อเนื่องกันตลอดสามเดือนนะในฐานะที่เป็นนักบวชในฐานะที่เป็นพระในฐานะที่เป็นแม่ชีนะมันต้องอาศัยนะความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ต้องอาศัยกําลังจิตกําลังใจที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีความหนักแน่นมั่นคงไม่ไหลไปตามกระแสกิเลสซึ่งตอนเป็นคาราวัล น, นี่ก็อาจจะทำได้ง่ายแต่พอเป็นพระแล้วจะทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทําได้ยากแล้วก็ขืนทําก็เกิดผลเสียหายนะเสียหายต่อความเป็นพระเสียหายต่อหมู่คณะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมนะีสิ่งจําเป็นอย่างหนึ่งนะที่ต้องมีในการเข้าพรรษาหรือในการทําพรรษานั้นก็คือความตั้งใจมั่นความตั้งใจแน่วแน่ซึ่งในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอธิษฐานนะก็อธิษฐานเนี่ยนะมันแปลว่าความตั้งใจมั่น ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวความตั้งใจแน่วแน่ความตั้งใจที่หนักแน่นนะนั่นมันตรงข้ามนะกับความเข้าใจของคนทั่วไปเพราะความควาวจังกุธภาอธิษฐานเนี่ยมันคือความตั้งจิตปรารถนาที่จะขอโดยเพราะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจตนบรรดาลได้ เรามักเรามักอาธิษฐานกันนะอธิษฐานขอให้หายป่วยอธิษฐานขอให้ร่ำรวยอธิษฐานขอให้เรียนจบอธิษฐานขอให้สอบเข้าได้นะอันนี้คืออธิษฐานที่เราคุ้นเคยแต่จริงจริงอธิษฐานเนี่ยภาษาบาลีความหมายที่แท้เนี่ยคือความตั้งใจมั่นความตั้งใจแน่วแน่ความตั้งใจเด็ดเดียวหนักแน่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้สำเร็จนะหรือให้บรรลุผลมันคือความตั้งใจที่จะทำอธิษฐานที่คนไทยคุ้นเคยเนี่ยคือความตั้งใจขอเพื่อจะได้เพื่อจะเอาโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะเพราะความหมายมันเพี้ยนไปไกลเลยนะอธิษฐานบาลีกับอธิษฐานภาษาไทยเนี่ยอธิษฐาน ที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยนะมันจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นบารมีข้อหนึ่งเลยทีเดียวนะบารมีเนี่ยสิบประการหนึ่งในส0นั้นคืออธิษฐานบารมีอันนี้คำ ว, ว่าบารมีเนี่ยภาษาบาลีกับภาษาไทายมันก็ไม่เหมือนกันนะบารมีในภาษาบาลีเนี่ยมันแปลว่าคุณความดี ที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรลุจุดหมายที่สูงส่งเนเป็นเพราะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยบำเพ็ญบา ร, รมีสิบประการครบถ้วนน ะ, นะจึงได้ตัดสูุเป็นพระพุทธเจ้าบา ร, รมีสิบเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะในการที่ทำให้ปุถุชนเนี่ยได้อนะ บรรลุถึงความเป็นพุทธะหรือทำความทำพุทธให้สมบูรณ์อยองทางกายเป็นพระพุทธเจ้านั่นจึงเป็นสิ่งที่สูงส่งมากนะท่านี้เรียกว่าเป็นคุณความดีนะที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพราะว่าทำได้ยากแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยและทำได้ครบถ้วนนะก็จะทำให้ ได้ตัดสู้พระสัมมาสัมพธิยานได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่พอมาถึงภาษาไทยเนี่ยบารมีมันกลายเป็นอะไรกลายเป็นเหมือนกับอำนาจวาสนาอย่างผู้มีบารมีเนี่ยผู้มีบารมีก็คือผู้ที่มีอำนาจวาสนาเป็นผู้ที่ใครๆก็เกรงขามเป็นผู้ที่มีบริษัทบริวารซึ่ง บางทีมีนัยยะในทางที่ไม่ดีนะเพราะว่าเจ้าพ่อหรือผู้มีทิพลเนี่ยบางทีเขาก็ถูกมองาเป็นผู้มีบรารมีและเจ้าพ่อหรือผู้มีทิพนเนี่ยหรือผู้ที่มีบรารมีเนี่ยจำนวนไม่น้อยก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างทางด้านคุณธรรมไม่ได้บาเพ็ญคุณความดีอย่างจริงจังนะกับทำตรงกันข้ามโดยซ้าก็มีแต่บรารมีเนี่ยในภาษาบาลีเราเป็น สิ่งที่มีความหมายสูงส่งมากนะและอธิษฐานเนี่ยก็เป็นบา ร, รมีอย่างหนึ่งเพาอธิษฐานเนี่ยนะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งนะทีเ่เราควรจะบำเพ็ญกันให้มากและเป็นสิ่งจำเป็นนะสำหรับการที่เราจะฝึกฝนตนนะอย่างต่อนเนื่องตลอดสามเดือนนะตลอดช่วงเข้าพรรษา ตอนนั้นเนี่ยในวันแรกของการเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เราเป็นธรรมเนียมก็ได้เรียกว่าอาธิษฐานพรรษาหรืออธิษฐานเข้าพรรษานะคือความตั้งใจมั่นนะที่จะจำพรรษาให้ครบนะทั้งสามเดือนหรือความตั้งใจมั่นที่จะอยู่ในอาวะ ห, หรืออยู่ในวัดนะบําเพ็ญปฏิบัติครบสามเดือน และที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นเราไม่ควรทำให้มันเป็นเพียงแค่ทำเนียมหรือประเพณีแต่ว่าควรจะทำให้มันนะอย่างลงไปในใจของเราเมื่อเราอาธิษฐานพรรษาเนี่ยซึ่งจะทำนะหลังจากบรรยายเสร็จเนี่ยเราก็ตั้งใจมั่นจริงๆนะที่จะจำพรรษาให้ครบ นะสามเดือนลาพังนะเพียงแค่พูดว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดเนี่ยแค่นี้ไม่พอนะทำให้ดีที่สุดเนี่ยมันเป็นคำหรือสำนวนที่เราพูดกันบ่อยมากนะจะทำให้ดีที่สุดนะแต่ว่าบางทีมันมไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะว่ามันเลื่อนลอยมากนะมันเลื่อนลอยมากนะแต่ถ้าหากว่าเราตั้ง ตั้งจิตนะตั้งใจว่าเนี่ยฉันจะจำภาษาให้ครบสามเดือนอันนี้มันจะมีน้ำหนักมากกว่าเพราะว่ามันมีเป้านะชัดเจนเลยนะว่าสามเดือนเนี่ยฉันจะทำให้ได้ถ้านะมันไม่เลื่อนลอยมันก็คำว่าหรือประโยคที่ว่าเนี่ยฉันจะทำให้ดีที่สุดนะซึ่งก็จะหมายความว่าอยู่แค่ทิศเดียวอยู่แค่เดือนเดียว ก็ไปแล้วก็ได้แล้วก็จะบอกว่าโอ้ชันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันลําบากเหลือเกินนะกินอาหารแค่มื้อเดียวสองมือ้อนะกุติก็แย่น ะ, มะแมลงก็เยอะนะแถมต้องนอนคนเดียวฉันไม่ไหวแล้วนะชันทําดีที่สุดได้แค่นี้แหละคือเดือนหนึ่งเนะี่ยไปมาเนี่ยทําคําว่าดีที่สุดทําให้ดีที่สุดเนี่ยมันก็เลยนะกลายเป็นคําที่ ไม่ได้มีความหมายเลยน ะ, นะสู้ความตั้งใจมั่นนะว่าฉันจะอยู่ให้ได้สามเดือนการทำอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเรามีความตั้งใจแล้วเนี่ยแม้ทำให้เกิดการสำทับกาชับให้เกิดความมุ่งมั่นนนที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จได้ เพียงแค่ความอยากอย่างเดียวมันไม่พอนะแม้เราจะอยากในสิ่งที่ดีนะแต่ว่าถ้าไม่มีความตั้งใจไอ้ความอยากนั่นมันก็ไม่แปลเป็นเป็นผลที่ต้องการได้หรือไม่เป็นเพียงแค่ความคิดแต่มันไม่กลายเป็นความจริงเหมือนกับว่าเราเราก็รู้ตัวเราเป็นคนที่โกรธง่ายนะเราอยากจะ เป็นคนที่สงบหนักแน่นเวลากรัแล้วเนี่ยไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายไอ้ความอยากอันนี้เนี่ยมันไม่มันไม่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปได้เลยจนกว่าเราตั้งใจนะฉันตั้งใจว่าเนี่ยเวลาที่โกรธเนี่ยฉันจะไม่โวยไม่ไวายฉันจะเงียบสงบหรือว่าฉันจะตั้งสติให้ได้มันต่างกันเยอะเลยนะจากความอยากกลายเป็นความตั้งใจเนี่ย ระหว่างความอยากความตั้งใจเนี่ยอันนี้พอตั้งใจแล้วเนี่ยนะแม้ว่าใหม่ๆเนี่ยเราจะทําไม่ได้อย่างที่ตั้งใจเช่นเวลาโกรธเนี่ยมันก็เผลอลืมตัวโบนโวยวายตีโพยตีพายหรือมืองที่ก็หลุดปากดา่าหรือแสดงอาการหึดฮัดแต่ว่าสักพักก็จะระลึกได้โอ้นี่เรานะไม่ได้ทําอย่างที่ตั้งใจไว้ ต่อมาเนี่ยเจออะไรมากระทบก็โกรธอีกแล้วก็เผลอโวยวายเขาไปอีกนะแต่เนื่องจากเราตั้งใจนะว่าเราจะนิ่งมันก็ทำให้เรารู้ว่าโอ้นี่เรายังต้องปรับปรุงตัวนะเราต้องทำให้ได้นะต่อมาเนี่ยนะพอเริ่มโกรธนะมันจะหลุดปากกอไปแล้วมันก็นึกได้นะถึงความตั้งใจนะที่จะควบคุมตัวเอง ตอนนี้นะก็เริ่มจะคุมตัวเองได้แล้วแต่ต่อไปเนี่ยพอมาเริ่มโกรธนะนก็นึกขึ้นมาได้นะถึงความตั้งใจก็สามารถที่จะคุมกายวาจาไม่ให้โวยวายออกไปได้ถ้าความตั้งใจเนี่ยมันทาให้เกิดการกระทำขึ้นมามันเป็นยิ่งกว่าความอยากเล้งถ้าหากว่าเรานะทำให้ความตั้งใจนะั้นมันกลายเป็น ความหนักแน่นขึ้นมาที่เราเรียกว่าอธิษฐานเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ความเพียรนะความพยายามของเราเนี่ยมันมีความหนักแน่นมากขึ้นมันทำให้สิ่งที่เราอยากมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความคิดนะแต่มันกลายเป็นการกระทำขึ้นมามันเป็นตัวเพิ่มความเพียรให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เวล า, าทาเวลาเราปรารถนาอะไรก็ตามที่ดีงามเนี่ยนะเราต้องทำให้มันเกิดความตั้งใจขึ้นมาและทำให้ความตั้งใจเนี่ยกลายเป็นความตั้งใจที่แน่วแน่เด็ดเดี่ยวหรือความตั้งใจที่หนักแน่นนั่นคือการอธิษฐานถ้าเรารู้จักอธิษฐานที่ถูกต้องเนี่ยนะเราจะมีความเพียรเราจะมีความหนักแน่นมั่นคงมากขึ้น เราจะไม่เอาแต่เป็นเราจะไม่กลายเป็นคนขี้ขอนยอยากได้อะไรก็ขอคืออธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะว่าขอให้ได้บรรลุได้สิ่งนั้นสิ่งนี้กลายเป็นคนที่อ่อนแอก็ยังปล่อยใจไปตามกิเลสไม่คิดที่จะทำความเพียรก็รู้ว่าอะไรดีแต่ว่าทำไม่ได้ได้ไดแต่ขอให้มันสำเร็จ แทนที่ขยันมันเพีลแล้วะจะได้ประสบความสําเร็จก็นิ่งเฉยนะแล้วก็ขอเอาขอบางทีอาจจะมีเครื่องเส้นด้วยนะแล้วก็ไปคิดแต่ว่าจะไปขอที่ไหนดีที่จะทําให้บรรลุความสําเร็จได้ไวๆที่นั่นที่นี่เขามีศาลที่ไหนที่เราที่คิดว่าจะศักดิ์สิทธิ์หรือเฮียนแล้วก็ไปที่นั่น มันก็ทำให้คลายเคลื่อนจากความเป็นพุทธมากขึ้นและทำให้ชีวิตเราเนี่ยเจริญก้าวหน้าได้ยาง